มีคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนับถือเพื่อศาสนาหรือว่าพระระนัดไตรยัยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคำ ว, ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเวลานับถือ พุทธศาสนาหรือว่าพระตธตรมตรอยว่าเป็นสิ่ง ศ, ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ทำให้เรามีความยำเกรงยำเกรงเมื่อยำเกรงแล้วก็ทำให้น้อมนำคำสอนมาปฏิบัติอาจจะด้วยความกลัวว่าจะเป็นการถ้าฝา่าฝืนแล้วนี่จะเกิดโทษแต่ว่าการยำเกรงก็าอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าบางทีก็ไม่กล้านะที่จะทวงไม่กล้าที่จะติง โดยเพราะการเห็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีทั้งที่ก็อาจจะเป็นแค่ปุถุชนพอเห็นคนนุ่งเหลืองเนี่ยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่กล้าทวงติ่งท่านนะแม้ว่าท่านจะทำอะไรไม่ถูกต้องตามพระธรรมวิ น, นัยก็ปล่อยให้ทำผิดไปเรื่อยๆหรือมิฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้พวกวิชาชีพเนี่ยมาใสายผ้าเหลืองนในการหากินนะ อาประโยชน์จากความนับถือนั้นพีนี้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันยังมีความคิดบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังนะเวลาเรานับถืออะไรว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอิทธิปฏิหารแล้วก็เราหวังเราก็หวังว่าจะได้รับอา น, นิสงส์แห่งอิทธิปฏิหารนั้นหรือว่านับถือไปแล้วนี่ก็หวังว่าอิทธิปฏิหารนั้นเนี่ยจะช่วยคุ้มครองเรา นะหรือว่าทําให้เกิดความสําเร็จทั้งโลกนะความสาเร็จทั้งโลกหรือประโยชน์ทั้งโลกเนี่ยเช่นว่ารอดตายหายป่วยร่ํารวยมีชื่อเสียงนะหลายคนเนี่ยนับถือพุทธศาสนาหรือว่าไว้พระเนี่ยก็เพราะว่าหวังนะว่าอิทธิ ป, ปฏิหารของสิ่งที่เรานับถือจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีจะเป็นพระธรรมเจ้าหรือว่าพระสงฆ์ภ ร, ริยสง์เนี่ยอิทธิท่านจะโดนบันดาลให้เราได้รับความสุขความเจริญนะ อันนี้ก็มีข้อดีนะทำให้เกิดความอบอุ่นใจทำให้เกิดความหวังแต่ข้อเสียคือว่าเมื่อคาดหวังแล้วเกิดไม่ได้ตามที่คาดหวังก็จะผิดหวังพอผิดหวังแล้วก็เลยเรื่องนับถือก็มีนะอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนนี้เนี่ยก็มีผู้กำกับหนังคนหนึ่งนะกำกับหนังเรื่องขัวโตลงทุนไปหลายสิบล้านนะล้านแล้วรากว่ า, าล้มเหลวเจ๊งพูดง่าย ฉายในโรงได้ไม่กี่วันก็ถูกถอดผู้กํากับก็เป็นหนี้สินเรียกว่าเป็นหนี้ล้นพ้นตัวเลยแล้วก็ต้องหนีหนี้หรือว่าต้องก็ไม่หนีหนี้แต่ว่าต้องหลบหน้าหายจากวงการไปสุดแล้วก็มีนํามซ้ําครอบครัวก็แตกแยกนะภรยาคงทิ้งไปด้ว ย, เ, ยเมื่อต้นเดือนนี้ก็เลยประกาศว่าต่อไปนี้จะเลิกนับถือพุทธศาสนาแล้วเขาก็เหตุผลว่าที่ผ่านมาก็ทุ่มเทเพื่อพุทธศาสนามาตลอด ทำประให้กับศาสนามากมายแต่ว่ามาถึงตอนนี้พิสูจน์ว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเขเลยนะมีแต่ทำให้เกิดความฉิบหายนะแล้วก็บ้านแตกสาหร่ายขาดนะก็เลยเลิกนับถือพุทธศาสนานะอ น, นุเนตมาก็เดาว่าเนี่ยคงเป็นเพราะว่าผู้ม่กับคนนี้เนี่ยนะเชื่อว่าถ้าทําหนังเรื่องขรัวโตแล้วเนี่ยนะก็จะเกิดโชคเกิดลาภหรือเกิดความสําเร็จนะเพราะว่า ครัวโตนี่ก็มีหลายคนก็นับถือนะใน ท, าท้ายจะเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ครัวโตก็คือสมเด็จพุทธาจารโตนั่นเองนะหรือหลวงพ่อโตคนที่มุ่งนะทำปลือยให้กับพุทธศาสนาหรือว่าพระอริยสงฆ์เนี่ยด้วยความนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลึกๆนะก็หวังว่าท่านจะดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญนะพ่วงกับคนนี้คงมีความคิดแบบนั้นว่า เมื่อทําหนังเรื่องขวโตหรือว่าทําหนังที่เกี่ยวกับการเชิดชูพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จะเกิดนะสิ่งที่โด น, นบรันรดาลให้หนังเรื่องนี้สําเร็จนะมีคนดูนะแต่ปรากฏว่าผิดคาดนะไม่มีคนดูเป็นหนี้ก็เลยผิดหวังผิดหวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยก็แสดงว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะเมื่อไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็นับถือไปทําไมก็เลิกนับถือซะเลยนะ อันนี้ก็เป็นผลเสียนะของคนที่นับถือพื่ศาสนาหรือนับถือพระตั้งใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในแง่อันึงก็ทําให้มีความอบอุ่นใจแต่ว่าขาดเดียวกันก็ทําให้เกิดความหวังนะความหวังลึกๆว่าจะได้นโน่นได้นี่ครั้นไม่ได้นะหรือว่าเกิดตกอับขึ้นมาเนี่ยก็จะโกรธนะเพราะความผิดหวังทําให้เกิดความโกรธเมื่อผิดเมื่อโกรธแล้วก็เลยเลิกนับถือไปเลยเพราะฉะนั้นในแง่อันหนึ่งในการนับถือ สิ่งใดก็ตามว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่งอนงันมากนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าหวังเกินความจริงไปก็เลยผิดหวังได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าคลาดคนจํานวนไม่น้อยนะที่ทําบุญเนี่ยทำบุญมากมายนะทอดกรถินทอดผ้าป่าเพราะเชื่อว่าบุญจะคุ้มครองนะจะทําให้เกิดอันนิสงคือความร่ํารวยประสบโชค แต่ว่าพอเกิดเหตุพลิกผันขึ้นมาก็ความคิดก็เปลี่ยนเป็นตลปัดเลยกลับเป็นตลปัดเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมีไฟไหม้ใหญ่นะที่สุรินนะในกลางเมืองเลยก็มีคนนับร้อยนับพันเนี่ยสินเนื้อประดาตัวนะเพราะไฟไหม้ก็มีหลายคนไปปลารบนะโดยตรงมัง่งฝากคนไปไปบอกบ้างหรือมีคนไปเล่าให้ฟังบ้างว่า ไล่ให้หลวงปู่ดุลฟังหลวงปู่ดุนั่นท่านอยู่วัดบุรพารามท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น mm. ก็มีหลายคนตัดพ้อว่าปู่ย่าตายายของเขาเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทําบุญนะไม่ได้ขาดเลยนะพ่อแม่เขาก็เข้าวัดทำบุญใส่บาทเป็นประจําเขาเองก็งานบุญการกุศลก็ไม่เคยนะไม่เคยปฏิเสธทอดผ้าป่าทอดกระถินเป็นประจําแต่ทําไมถึงต้องมาเกิดเหตุแบบนี้ คือไฟไหม้สิ้นพระดาตัวทําไมก็เลยตัดเพราะว่าทำไมบุญไม่รักษาธรรมะไม่คุ้มครองแล้วก็หลายคนก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ทําบุญและ้ะเลิกทําบุญแล้วหลวงปู่ดูลท่านก็พูดว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นนะแล้วท่านก็อธิบายว่าไฟมันทําหน้าที่ของมันท่านกระเสริมว่าความพิบัติความอันตรทานความเสื่อมเสียความพัดพรากเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกทีนี้เนี่ยหน้าที่ คนที่มีธรรมะคนที่รู้ธรรมะเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะเช่นนี้แล้วเนี่ยจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้คือหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจ ะ, ะป้องกันไม่ให้หิวป้องกันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ไฟไหม้ได้อันนี้เนี่ยที่เรามาเนี่ก็ ค, คล้ายๆกันนะก็หลายคนเนี่ยทาบุญก็เพราะว่าหวังนะหวังความสุขความเจริญ น, นะทำบุญมันก็บุญนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยคุ้มครอง อย่างน้อยๆก็ช่วยให้รอดตายหายป่วยร่ลำรวยมีชื่อเสียงนะพอไปคาดหวังแบบนี้เนี่ยมันเป็นการคาดหวังเกินจริงสวนทางความเป็นจริงเพราะว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะมันก็มีขึ้นมีลงนะได้แล้วก็เสียมีแล้วก็หมดพบแล้วก็พรากเจอแล้วก็จากนะที่เจ้เรานับถือพระรัตนใจเนี่ยไม่ใช่ว่าว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่นับถือในทางที่เป็นธรรมะที่จะช่วยรักษาจิตใจของเรา จะได้ประโยชน์มากนะหลายคนนะั้นนับถือาศาสนาหวังประโยชน์ทางโลกนะประโยชน์ทางโลกคือนี่แหละรอดตายหายป่วยร่ำรวยมีชื่อเสียงและยิง่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อว่าจะได้รับ อ, อนิสงฆ์ทางโลกมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะพระรัตนตรัยเนี่ยมุ่งประโยชน์ทางธรรมมากกว่าประโยชน์ทางธรรมคือว่าทำให้เรานะวางใจได้ถูกนะมีคุณภาพจิตที่ถูกต้อง เช่นเข้าใจความจริงของชีวิตรู้จักปล่อยรู้จักวางฉะนนั้ถ้าเราไปนับถือหรือคาดหวังประโยชน์ทางโลกนะจากาศาสนาเนี่ยจะผิดหวังได้ง่ายนะแต่ถ้าเราหวังประโยชน์ทางธรรมเนี่ยโดยเฉพาะประโยชน์ทางจิตใ จ, จช่วยทําให้พ้นทุกข์นะไม่ว่าจะเกิดความแก่ความเจ็บความป่วยความตายหรือความพัดพลาดก็ตามใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้ได้ประโยชน์แน่นอนนะ ที่จริงผู้เจ้าก็ไม่เคยบอกนะว่าให้นับถือพระองค์แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผู้เจ้าจัดว่าเนี่ยให้ถือพระองค์เป็นกายยานมิตรผู้เ จ, จาา้าจัดกับพระอานนท์ว่าให้นับถือพระองค์เป็นกายนามิตรผู้ใดถือเราเป็นกายยานมิตรผู้นั้นจักพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ความหมายเนี่ยพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีความหมายมากกว่าที่เราเข้าใจไม่ใช่แปลว่าเป็นอมตะนะไม่ใช่เนี่ยเวลานับถือศาสนาก็ลองพิจารวดูว่าเรานับถือแบบไหนนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านับถือ ในฐานะที่เป็นสิ่งที่จะน้อมนําใจเราให้เกิดธรรมะนะเราหวังประโยชน์ทางโลกหรือหวังประโยชน์ทางธรรมนะจากศาสนานะถ้าหวังประโยชน์ทางโลกก็ผิดหวังได้ง่ายนะแล้วก็ จ, จะเป็นอย่างนักสร้างหนังคนนั้นที่บอกว่าเลิกนับถือเพื่ศาสนาไปแล้วหรือว่าเหมือนกับญาติโยมที่สุรินทร์เนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ไม่ทําบุญแล้วเนี่ยแต่ถ้ า, านับถือศาสนาในฐานะที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดธรรมะขึ้นมานะีอันนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอน อาแล้วก็เตรียมรับพร